ก็คืออาการที่มันมีความทะเยอทะยานอยากไปในรูปสวยๆอยากดูนะอยากฟังเสียงเพราะเาะนี่ยมันเกิดกับชีวิตเราอย่างเนี้ยถ้าอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากามะตันหาเกิดขึ้นนะซึ่งอาตมาแปลใหม่ว่าตันหาแปลใหม่ว่าหาตันนะหายังไงก็ตันไม่มีทางจะเต็มยอม ยอมเชื่อไหมกามตัญหาที่สแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลาบยศสระเสริญสุขต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่มีทางจะหาเราเต็มนะยอมเชื่อไหมเชื่อนะเพราะว่าพระเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันกามตัญหาเนี่ยแปลภาษาบ้านเราง่ายๆก็หายังไงก็ตันนะพุทธเจ้าก็เลยไม่บอกให้หาให้ล ะ, ะให้ละตัญหาให้ละกามตัญหา อย่าไปหาตามมันนะเพราะว่าหายังไงมันก็ไม่มีทางจะเต็ ม, มนะหาไปหามาก็จะไปเจอทางตันเหมือนเดิมนะการมาตัญหาก็พวกกิเลสที่เป็นอาการยินดีพอใจในพวกกรรมคุณนะหลกัหลกๆก็ในชีวิตของพวกเรานี่แหละโยมโดยตรงเพราะว่าตัญหาท่านก็พูดถึงพวกต้องการในรูปรร ป, รรประชานารูปประพบอรูปประชานรูปประพบนะพวกเรามีไหม ความต้องการในรูปประชารูปประพบอรูณประชานอรมประพบตอนนี้พวกเรามีไหมตอนนี้ไม่มีเพราะพวกเรายัางมีกามอยู่ยังมีกามมาตัญหาอยู่คนที่จะไม่มีตัญหาพวกนี้ต้องได้ฌานนะได้ฌานแล้วก็จะไปะต้องการอีกตัวหนึ่งบางคนเนี่ยพูดถึงพรหมไม่ฟังนะยมเขาอยากเป็นพรหมนะอยากไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะฟังเพื่นเผิ น, เ, นเหมือนกับมีภาวะตัญหานะ แต่ฟังดูแล้วเป็นกามาตัณหาเอา้าทำไมอยากเป็นพรหมละ่ะพรหมมองเห็นได้ไกลจะได้มองคนนู้นคนนี้ได้มันคนละประเด็นแล้วนะโยมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาอยากจะบอกอยากไปเป็นพรหมเพราะว่าฟังเรื่องพรหมแล้วอายุยืนด้วยใช่ไหมอายุยืนแล้วก็เห็นไกลอะ่ะได้ยินไกลด้วยนะดูได้ทั้งโลกโอ้ยพรมก็ไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นนะไม่ได้ไปแสวงหาความสุขด้วยการดูนะนะ yeah. เพราะฉะนั้นไอ้ถึงถึงพวกเรามีอยู่เนี่ยมันคือการมาตัณหาเป็นหลักส่วนภราว่าตัณหาเนี่ยพวกเรามีไหมมีไห ม, มถ้าบอกว่าภวะตัณหาคือความยินดีในรูปรร ป, รรประชานรูปประพบอรูณประชานอรูณประพบนี่ดูเหมือนพวกเราจะไม่มีนะแต่จริงๆพวกเรามีไหมมีท่านพระราชารสันติก็เลยพูดถึงว่าความทยานอยากที่เจือด้วย ส, สัตตทิฏฐินะยมเคยได้ยินคําว่าภวะนิกันติไหม ภวาวะนิกรติแปลว่าความใคร่ความยินดีในพบนะเกิดในอเวจียังมีเลยโยนะวิถีจิตแรกของสัตว์ทุกพบทุกภูมิที่มีจิตนะ่ยนะจะต้องเกิดภวณิกรติก่อนความยินดีในพบในขันในอัตภาพในความมีความที่ตัวเองมีสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้อยู่นลยยังไม่ทันรู้เลยนะว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยนะนะมันถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ย เท่ากับหยดน้ําติดปลายขนนะโอ้มันตาเปล่ามองไม่เห็นน่ะนะเกิดความยินดีในพบแล้วนะตรงนั้นก็เป็นภาวะตันหาได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีพวกเรามีทั้งหมดนั่นแหละนะส่วนวิภาวะตันหาก็เป็นอ่าความยินดีทุกอย่างนั่นแหละที่เกิดร่วมกับอุเฉทธทติทิเวลาเขาเสพกามกันนะกามทั้งหลายไม่มีโทษหรอกที่เขาพูดเรื่อง ตกนรกพูดเรื่องการเกิดในอวัยวภูมิต่างๆเป็นเรื่องเหลวเวเปล่านะเพราะฉะนั้นพวกเราชีวิตที่มีอยู่เนี่ยจบแล้วก็จบตายแล้วก็จบกันไปเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะตายก็รีบตักตวงรีบสั่งสมเข้าไปให้มากๆนะอันนี้มันผสมนะผสมกับอุเฉทิฐนะิความยินดีที่เกิดร่วมกับอุเฉทัททิเนี่ยนะซึ่งมันก็เจืเจือกันนั่นแหละนะคนะับปัญหาแต่ท่านก็จะแยกประเด็นให้เห็นนะไม่ทราบว่า เป็นคําตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ดีหรื อ, อยังก็จะให้าทางอาจารย์สิรพงศ์ได้สรุปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสรุปเนื้อหานะครับจากที่ท่านพระอาจารย์ได้ให้ความรู้ ก, กับพวกเรามาเกี่ยวกับตัณหา3าประการคือการมาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหานะครับ การปัตหาคือตัญหาในกามนั่นเองนะแล้วก็ภวะตัญหาคือตัญหานะครับในภพหรือตัญหาที่เป็นไปกับภพบก็ได้วิภวะตัญหาก็คือตัญหาที่เป็นไปกับวิภวะนะครับแต่นี้ก็ผมจะพูดถึงภวะตัญหากับวิภวะตัญหาก่อนนะครับพี่ทานอาจารย์ได้อธิบายก็คือคาว่าภวะคำ น, นี้นะครับก็ได้ความหมายถึง3าประการด้วยกัน นะครับอย่างแรกก็คือที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าตัณหาที่เป็นไปกับสติติฏฐิก็คือเป็นไปเพราะว่าความเห็นผิดว่าเที่ยงนะครับเห็นไปว่าความผิดว่าเที่ยงซึ่งคําว่าภวะคันนี้ก็ได้แก่ภวะทิฏฐินะครับเพราะที่นี้คือความเห็นผิดว่ายังมีอยู่มีอยู่เป็นอยู่ก็คือตัณหาที่เป็นไปพร้อมกับสติติฏฐินั่นเองโดยการสําคัญว่าตนเองนั้นเป็นผู้ยังมีอยู่นะครับแม้พรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่ หรือว่าเรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกดิ้งกายใจนะครับเวลาเราได้อารมณ์เหล่านั้นมาเราก็เกิดความสําคัญว่ามันจะมีอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับไอ้ น, นี้ก็แสดงว่าเวลานั้นเราเกิดเพราะว่าตัณหาที่เป็นไปพร้อมกับสติปัฏฐินะครับส่วนภาะวะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าตัณหาที่เป็นไปในรูปฌานหรอรูปฌานใช่ไหมครับซึ่งภาะวะคําคนี้เนี่ยมันก็ได้เป็น2 อ, อย่างก็คืออุปปติษฐ์ภาวะ นะครับอันนี้สำหรับผู้ที่ชอบศึกษามานะอุปปติภวะก็หมายถึงว่าตัณหาที่เป็นไปเพราะกัดยินดีในความอุบัติขึ้นนะครับในความเป็นมนุษย์ก็ตามในความเป็นพรหมก็ตามนะครับหรืออย่างหนึ่งก็คื อ, อความยินดีพอใจในรูปประจานอรูปปัจจานช า, ชาเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นภวะได้เรียกว่าการรมภวะนะครับดังนั้นความยินดีพอใจในรูปประจานอรูปปัจจานหรือ พวกยินดีพอใจในฐานที่เราทําเช่นเราทําทานแล้วรักษาศีแล้วเกิดยินดีในฐานะที่ว่าเราเกิดมาณนะความถือตัวอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ยังเป็นภาวะตัณหานะครับนั้นภาวะตรงนี้เนี่ยก็ได้ทั้งกรรมภวะก็ได้นะครับปุปปติภาวะก็ได้ภาวะทิฏฐิก็ได้ทีนี้ส่วนวิภวะตัณหานี้นะครับก็หมายถึงตัณหาที่เป็นไปพรกับวิภวะทิฏฐนะิวิภวะทิฏฐิก็คือความเห็นผิดนั่นเองนะครับที่เห็นว่า ไม่มีนะครับซึ่งก็ได้แก่อุเฉิด้วยทิฏฐิคือขาดศูนย์คือหมายความว่าเช่นเราได้อารมณ์ทั้งหกเหล่านี้นะครับเวลานั้นเนี่ยถ้าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยบางทีไม่น่ารับไม่น่าปรารถนาเราเกิดโทสะขึ้นเกาะใช่ไหมครับเมื่อเกิดโทสะขึ้นแล้วเราก็มีความปรารถนาอยู่ว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยควรที่จะหายไป อ, อย่างนี้นะครับก็เป็นตัญหาที่เป็นไปพร้อมกับความไม่ให้มีอยู่เป็นอยู่ของอารมณ์เหล่านั้นทีนี้ส่วนการมาตัญหานั้นนะก็คือ ตันหาที่เว้นจากตันหาสองประการนะครับตันหาใดที่ไม่ใช่เพราะว่าตันหาไม่ใช่วิพวตันหาตันหาเหล่านั้นเรียกว่ากรรมมาตันหาก็อย่างเช่นเวลาที่เราอยากได้สิ่งต่างๆนะครับเวลาที่เราอยากได้เนี่ยเวลานั้นเราไม่ได้กำหนดว่ามันจะขาดสูรู้มันจะมีอยู่เป็นอยู่ไปเรื่อยเป็นเพียงความทยานอยากที่เกิดขึ้นในคราวแรกๆถ้าจะบอกว่าตันหาเนี่ยก็คือความเกิดขึ้นในคราวแรกๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ การตันหาสามประการตันหาสามประการที่พี่เจ้าก็แสดงนะครับโดยอาการที่มันต่างกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือสรุปเกี่ยวกับตันหาสามประการทีนี้จะขอจบเรื่องของกามาธีนวะเท่านี้ก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายของอนุปพิกถาก็คือเรื่องเนคขมะท่านเรื่องเนคขมะนี้เราฟังแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือความโล่งใจนะความสงบใจ เราก็จะได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับก็จะใ <c> น <oughs> หัวข้อเรื่องเนคขมมะครับท่านอาจารย์อยากท่านอาจารย์ให้ความหมายของคำว่าเนคขมมะครับว่าเนคขมมะนี้นะตามศัพท์แล้วเนี่ยมีความหมายว่าอะไรครับท่านพระอาจารย์มหาสุพลครับนิมนต์ครับ โยมช่วยหน่อยนะเน่ขมมะที่พวกโยมเคยฟังกันมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรโยมฮะออกจากกามแหละที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าออกจากกามนั้นก็เป็นความหมายหนึ่งนะจริงจตามสัพ์เน่นขมมะ ไ, ไหมนิ นี้กับคำนะเนี่ยนะนะก็แปลว่าการการก้าวออกนั่นแหละก้าวออกไปหลีกออกไปนั่นแหละนยกเราก็เลยเอามาเป็นความหมายหนึ่งว่าออกจากกามนะทีนี้ไอ้การก้าวออกไปการหลีกออกไปการออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีขยายว่าออกจากอะไรถ้าจะแปลแค่ศัพท์ก็แปลได้แค่นั้นก่อนนะก็เลยจะต้องมีขยายความ ขยายความความหมายก็คือหมายถึงการออกจากกรามแล้วก็ออกจากภพอันนี้สรุปสรุปก่อนเพระบริษัทเวลาท่านตั้งความปรารถนาเวลาท่านสมาทานบารมีเน่ยขมมะเนี่ยท่านก็สมท า, านได้คําว่าบุรุษผู้ถูกขังอยู่ในเรือนจํามีความทุกข์สิ้นกาลนานเขาไม่มีความยินดีในเรือนจํานั้น สวงหาการพ้นไปเท่านั้นฉันใดเธอก็เหมือนกันนั่นแหละจงเห็นภพทั้งหมดเหมือนเรือนจามุ่งหน้าตอนน่อเนคขมมะเพื่อความหลุดพ้นเถิดอันนี้ก็คือท่านโอว่าตัวเองแล้วก็เป็นสมทานในใจเลยนะว่าสมทานที่จะออกจากภพทั้งปวงเนี่ยจากการเกิดในที่ต่างๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้รู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยเหมือนกับคนติดคุก นะก็อยากจะออกไปจากคุกจากที่คุมขังแล้วที่สำคัญคุกนี้เนี่ยไม่ใชุ่กที่จะทำให้เราอยู่อย่างสบายไปเรื่อยๆนะโคกที่ขังสั่นไว้ค่านะพวกเราก็เป็นนักโทษประหารนะมีอาจารย์ธรรมะ ต, ตั้งหนึ่งตั้งไดเขียนหนังสือดีมากเลยมเป็นจานวนนะนักโทษประหารอาตมาก็ไปหยิบมาอ่านนะโอ้นักโทษประหารนี่คงจะหมายถึงคนที่ทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะ อ่านไปอ่านมาเอา้าตัวเรานี่หว่าเนี่ยโอ้นะเนี่ยเขาก็ใช้สำนวนเป็นเชิงอุปมาอุปไมเปรียบเทียบนะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเป็นนักโทษประหารเกิดในทุกที่ก็เป็นนักโทษประหารของที่นั้นแหละก็จะต้องตายต้องจากต้องพลากนะทีนี้ขยายความของคำว่าเนตขมมาเนี่ ย, ยท่านก็ชี้ไปถึงหกประเด็นใช่ไหมนะว่าการบรรยชา ก็เป็นเนคขมมะอย่างหนึ่งนะปฐมฌ า, า, มมานก็เป็นเนคขมมะนิพพานก็เป็นเนคขมมะวิปัสสนาก็เป็นเนคขมมะกุศลธรรมทั้งหมดก็เป็นเนคขมมะสรุปแล้วเนคขมมะมีความหมายไปถึงกี่อย่างไงกี่อย่างก็อยู่ในนี้เลยนะที่ว่าไปนั่นแหละโยมนี้ถ้าเราจะเรีเรยงใหม่ก็ก็บรรพชาหรือบางคนก็ไม่ต้องบรรพชาก็กุศลธรรม ตั้งแต่ ต, ต, ต้นจนถึงที่สุดนั่นแหละกุศนละธรรมยี่สิบเอ็ดนะเราจะต้องหากันให้เจอตอนนี้เราหาเจอกันอยู่อ่ากี่กุศลที่เราหาเจอกันในวัดตระสงสารได้ปกตินี่เราหาเจอกี่กุศลนะสิบเจกุศลใช่ไหมในกามาภูมิเนี่ยหาเจอได้8กุศลในรูปประภูมิ5กุศลแล้วก็ในอารมณ์ ป, ประภูมิ4กุศลนะแล้วพ้ทุกข์หรือยัง ยังเพราะเรายัางหากุศลไม่ครบทั้งหมดนะก็เลยยังออกไม่ได้นะโยมกุศลธรรมที่จะแปลว่าเนกขมมะที่จะออกไอที่แปลว่าการออกไปได้ น, นะก็ต้องเป็นกุศลธรรมทั้งหมดนะต้องหาให้เจอทั้งยี่สิกุศลนะเราก็สะสมกุศลโยมตอนนี้เราก็หยอดกระปุกไปก่อนนะได้8กุศลบ้างนะบางทีก็ได้ขึ้นเป็นสิบสาขึ้นเป็นสิบอย่างนี้นะ นะก็เป็นปัจจัยให้อธิษฐานเพื่อหากุศลอีกสี่ชนิดให้เจอให้ได้โนะยมก็ฟังงงงไปก่อนนะสำหรับท่านผู้ใหม่นะอะไรคือกุศลยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวฝากทิ้งไว้ให้โยมมาตามศึกษาต่อนะวันนี้เวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยนะ <c oughs> นะทีนี้ก็จะมาขยายนะว่าันประชาเนี่ยเป็นการออกไปจากอะไร บรรพชาเนี่ยเป็นเป็นเนคขมมะแล้วออกไปจากอะไรก็ออกไปจากชีวิตอย่างคราวาสนะออกจากกามแล้วก็ออกจากพวกชีวิตเหมือนคาราวาสการธรรมาค้าขายการทำกระสกรรมโคกรกรรมพวกเนี้ยนะเพราะว่าการงานพวกนั้นเนี่ยอำนวยความสะดวกให้พวกเราออกไปจากพบได้ง่ายไหมไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นการบรรพชาก็หลีกออก หนะลีกออกจากกามหลีกออกจากธุรกิจการงานอาชีพอะไรต่างๆนะก็เลยเป็นเนคขม่าได้ความหมายหนึ่งปฐมวชารเป็นเนคขม่าได้ยังไงก็ออกจากกามเหมือนกันใช่ไหมออกจากความเป็นกามบุคค ล, บ, คคลบุคคลผู้บริโภคกามพอได้ปฐมวิชารนะก็จะเปลี่ยนเป็นชานลาพีบุคคลนะไม่บริโภคกาม หรือว่าออกจากความเป็นเปลืก็ได้ออกจากความเป็นเปลืบุคคลผู้ยังหมกมุ่นพัวพันกับการมรรคเนี่ยท่านเรียกว่าเปลืในความหมายหนึ่งโยมอย่าไปเข้าใจว่าเปลืมีแต่พวกในอบายนะนะพวกมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเปลืได้เหมือนกันแต่อย่าหาว่าแช่งนะโยมคนละความหมายกันแปลว่าผู้ที่จะต้องอาศัยผู้อื่นจึงจะเป็นอยู่ได้นะอาตมาเคยถามมาหลายเจ้าแล้วยมอยากได้อะไรบ้าง ไล่มาเอาเงินเนี่ยเอาสักกี่ล้านเอาเดี๋ยวจะหาเจะภาพมาให้นะบ้านเอาหลังเท่าไหร่รถยนต์อะไรต่งางๆนี่เอาเท่าไหร่นะเขาก็ไล่กันมาใช่ไหมแต่มีข้อแม้ว่าให้ไปอยู่คนเดียวนะอนะให้ไปอยู่ในเกาะคนเดียวอยากขี่รถก็ขี่อยู่ในเก่อนั่นแหละนะอยากกินอะไรก็หากินกันอยู่ในนั้นแหละนะอยู่คนเดียวห้ามมีคนอื่นเดอยวด้วยเอาไหมบอกไม่เอา เ, เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอานะ ถ้อยู่คนเดียวอย่างนั้นนะไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรียกพวกเราว่าเปรตในฐานะนี้แหละโยว่าผู้ที่ยังต้องอาศัยผู้อื่นเป็นจึงจะเป็นอยู่ได้นะขนาดพระนี่ยังเป็นเปรตเลยโยแต่ <c oughs> ว่าอะไรใช่ไหมโยนะก็ต้องอาศัยข้าววัดปัดจจัยสี่ที่ญาติโยมทั้งหลายถวายนั่นแหละนะเพราะว่าท่านไม่มีอาชีพการงานแล้วท่านมาบรรพชาลปะปฐมฌานใชอว่าเน่คัมมาก็ความหมายนี้เลยนะออกจากกามออกจากความเป็นเปรตเนี่ย นะแล้วฌานอื่นไม่ไม่เป็นเนื้คัมภีร์หรือไงก็ออกไปแล้วนะออกไปตั้งแต่ผสมไม่ฌานแล้วท่านก็เลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงฌานอื่นอีกฌาอนอื่นนี่ยิ่งห่างไปเรื่อยๆรืๆ่อยนะนะก็เลยไม่กล่าวถึงนิพพานในออกจากอะไรออกจากสัพพสังขารนะสังขารนะทั้งหลายทั้งปวงก็จะดับได้สิ้นสุดได้ที่นิพพานอันนิพพานก็เป็นเนื้คัมภีรวิปัสสนาละ่ะ อืมปสาสนาก็ออกจากพวกวิปลาสต่างๆนะน่ะนิจวิปลาสสุ ข, ขวิปลาสอัตตวิปลาสอะไรอีกวิปลาสเนี่ยนะนะความงาม น, นะสุภาพวิปลาสนะแล้วก็กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะก็จะออกจากบาปจากอากุศลไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราหาได้ครบยี่สเบี้ยกุศลเมื่อไหร่นั่นแหละก็จะออกจากภพทั้งปวงได้ อันนี้ก็คงจะยาวเกินไปสำหรับการให้ความหมายนะเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นก็คงจะมีการอธิบายเสริมนิมนต์อาจารย์ะเะมันหมดเวลาแล้วมั้งเอาฮะพอห้าโมงครึ่งตันยันสันติดส็กหน่อยกนะันเดี๋ยวสะรุปประเด็นภาษยะยจบลงตรงนี้ วันนี้เรามาบําเพ็ญเนคขมะลูกอเล่าเนี่ยบําเพ็ญหรือเปล่ า, ลลาถ้าอยู่ที่บ้านกลับมาฟังธรรมหรือว่าไปวัดนะคิดว่าอันไหนจะเป็นเนคข ม, มะมากกว่ากันเนคขมะมีหลายระดับนะเนคข ม, มะที่ไม่เป็นบา ร, รมีนี่มีไหมโยมมีหรือไม่มีมีไหม มีนะเนคขมั่ที่ไม่เป็นบา ร, รมีก็มีเพราะว่าเนคขมะนั่นมีความหมายว่าออกถ้าเป็นเนคข ม, มั่บารมีนะเพิ่มเข้าไปเพราะปกติเนี่ยการออกคือออกจากกามเบื้องต่าแต่ถ้าเป็นเนคข ม, มั่บารมีออกจากกามและภพด้วยอันผู้ฤๅษีทั้งหลายเขาก็ออกจากกามนะแต่เขาออกจากภพไหมถ้าเขาไม่ได้ปรารถนาพระนิพพาน นะขณะใดที่เรามีการเห็นโทษนะของกิเลสอกุศลทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะบําเพ็ญหรือว่ายังกุศลจิตให้เกิดขึ้นได้ขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการออกเป็นเนคข ม, มะเหมือนกันแต่ว่าการที่จะเป็นเนคข ม, มะบา ร, รมีก็คือเราจะต้องตั้งเจตนาเข้าไปด้วยนะว่าการบําเพ็ญกุศลของเรานี้เนี่ยเพื่อถึงฝั่งพระนิพพานหรือว่าเพื่อที่จะขัดจัดกิเลสนะทําให้กิเลสนั้นสิ้นไปนะ ก็าถามจริงๆว่าเรารู้จักพระนิพพานหรื อ, อยังเนี่ยรู้จักสภาวะอนิพพานจริงๆหรือเปล่านะนิพพานนี่ในความเห็นของเรานี่มันเลื่อนลอยแรือเปล่าเนี่ยนะเราไม่เคยเห็นเลยก็บอกก็นู่นอ่ะไปประเทศนะสวีเดนนะมันสวยมากเลยนะเราก็ชื่นชมกับคนบอกนะแต่ว่าเราเคยไปเคยเห็นหรือเปล่า แล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าประเทศสวีเดนมีจริงๆนะก็ต้องอาศัยเหตุผลว่าเขามีสื่อนี่นะภาษาสวีเดนก็มีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อไปพระนิพพานเนี่ยแม้ว่าเราไม่เห็นก็จริงแต่ว่าอาศัยศรัทธาและปัญญาอาศัยเหตุผลอนะ่ซึ่งพระพุทธเจ้าเองตอนที่เป็นสุเมธาดาบทเนี่ยนะท่านเห็นพระนิพพานหรือยัง แต่ว่าท่านอาศัยเหตุผลและอาศัยการอนุมานใช่ไหนะว่าความมืดมีความสว่างมันก็ต้องมีนะธรรมะไฟดำมีไฟขาวก็ต้องมีใช่ในเมื่อการเกิดมีการไม่เกิดก็ควรจะต้องมีถูกนะเพระาะนั้นอาศัยเหตุอาศัยความเข้าใจอาศัยสติปัญญาซึ่งท่านสะสมมานะแต่ของเราเนี่ยอาศัยจากการฟัง เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการฟังเราก็เริ่มมีความเข้าใจนะตั้งศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นี้ไม่เคยโกหกใครนะแตัสรู้เป็นพระหันแล้วมีแต่น้อมนําประโยชน์นะให้กับบุคคลที่สั่งสมอธัธยาศัยตั้งศรัทธาในพระองค์แล้วก็น้อมนาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยขนสัตว์เหล่านั้นไปสู่พระนิพพานนะมากต่อมากแล้วนะพวกพวเรานี้ก็พิสูจที่ว่าพพุทธเจ้าจะขนพวกเราไปได้หรือเปล่า นะเพราะว่าคนที่จะฉุดบุคคลอื่นออกจากขั้วน้ำทั้งหลายบุคคลที่จะถูกฉุดนั้นก็ต้องส่งมือให้ด้วยนะถูกไหมแต่ว่าก็พยายามจะฉุดพยายามจะดึงแต่ว่าไม่ยอมอะ่ะนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับนอนในหลุมอุจจาระเนี่ยนะถ้าเราไปเอามันขึ้นมานี่มันอยากจะขึ้นไหมไม่อยากจะขึ้นเพราะมันยังเห็นอสสาท่าในอุจจาระอยู่ใช่ไหมนะท่านก็เหมือนกันนะ ถ้าเราเห็นอัฏฐะในกามทั้งหลายไม่ใช่เท่านั้นถ้าเห็นอัฏฐะในรูปนะหรือว่าเห็นอัฏฐะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็เราก็ยังไม่สามารถจะออกจากนะขันธ์ห้าไม่สามารถออกจากกามเหล่านี้ได้ก็เท่ากับว่าเรายังไม่ส่งมือให้กับพระพุทธเจ้าที่จะทาให้เรานะหลุดหรือว่าพ้นไปนะนั้นการออกจากกามทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเบื้องต้น เพราะว่าการเนี่ยเป็นที่ยินดีพอใจเราก็มีมอาสาทะมากเลยนะมีอาสาทะมากนะขนาดว่าอุจจาระนี่มีอาสาทะไมโยมอาสาทะมีไหมมีอาสาทะมีขอโทษอาสาทะของอุจาระเนี่ยมีกับคนไหมโยมมีหรือไม่มีทำไมจะไม่มีนะโยมอยากเอาอาสาอาญเอาอุจจาระออกจากตัวหรือว่า อยาถ้าเกิดมันออกไปได้เราดีใจไหมดีใจแล้วพวกพนักงานดูดท่วมนี้เ็ามีอสาทะไหมนะพวกกองขยะพวกนี้ก็ยังมีอสาทะทุกอย่างมีอสาทะหมดเลยแล้วแต่ว่าใครจะวิปลาชมากหรือว่าวิปลาชน้อยนะแต่ว่าถ้าคนที่เริ่มเห็นโทษทุกโทษของการที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็จะต้องมองให้ออกว่าอะไรคืออสสาธะ อาสาท่าในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในอเยตนาภายในภายนอกต่างๆอะไรมันคืออาสาท่ถ้าเรารู้จักอาสาทะ น, นั้นเราจึงสามารถจะควบคุมอาสาท่เป็นสมุ ท, ทยัยไงแล้วก็เป็นเหตุของสมุทัยด้วยนะซึ่งมันก็จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์กันนะเพราะฉะนั้นการที่ออกจากอาสาท่ก็คือออกจากการทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องบําเพ็ญกุศลกุศลและกรรมบุทั้งหลายก็เป็นการออกนะ เป็นการออกจากอกุศลซึ่งอกุศท ล, ล, ศล ท, ทั้งหลายเนี่ยเป็นกามาธาตุโดยส่วนเดียวเลยอกุศลละธรรมทั้งหลายนี่เป็นกามาธาตุงนั้นถ้าเราออกจากอกุศลได้ก็เท่ากับว่าเป็นเนคข ม, มะระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังมีระดับสูงกว่านั้นก็คือถ้าเป็นเนคข ม, มะบา ร, รมีนะต้องแสดงอะไรก่อนทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเพราะนั้น เนคขมะบ ร, รมีตรงนั้นคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมคือสมาธิถูกไหมก็ทานศีลสมาธิปัญญาไงถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตรงของสมาธิเนี่ยเป็นการออกจากการมัญชนทะนิวรณ์โดยตรงแล้วการมัญชนธานิวรณ์เนี่ยมันเป็นหัวหน้าของนิวรณ์ทั้งหลาย นั้นคนที่อบรมสมาธิจึงเท่ากับออกจากนิวรหานะออกจากนิวรหาแล้วผลก็คือทาให้ออกจากกามาพบได้แต่ว่าถ้าเป็นบารมีเนคขมารมีบารมีจะเป็นปัจจัยทำให้ออกจากพบทั้งปวงนะเป็นส่วนที่เสริมนะส่วนวิปัสสนานี่ก็เป็นการออกจากวิปราสอย่างที่กล่าวไปแล้ววันวันหนึ่งของเรามีวิปัสสเยอะไหม ีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มแยกแยะไม่เริ่มพิจารณาไม่เริ่มเข้าไปเพ่งพินิษ์นะแม้ว่าเราออกจากกามได้เป็นครั้งคราวแต่เราก็จะออกจากวิปลาสไม่ได้ถามว่าเราเห็นหรือว่าเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยเป็นเราด้วยหรือเปล่านะอยากให้มีสมาธิอยู่นานๆไหม นะหรือว่าให้ทานรักษาศีลเนี่ยยังมีความรู้สึกไหมว่าเป็นเราที่ให้ทานเป็นเราที่รักษาศีลนะความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิปลาดได้ไหมเป็นได้กุศนละเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของวิปลาดได้นะเพราะั้นการไม่เจริญวิปัสสนาการไม่เข้าไปทําปริญญาก็จะทําให้วิปลาดนั้นไม่ได้ถูกคลายไม่ได้ถูกทําลายนะไม่ได้ถูกกระเทาะ อ, ออกไปนะ กุศลทั้งหลายจึงควรจะต้องเจริญให้บริบูรณ์เมื่อให้ทานแล้วก็ควรจะต้องรักษาศีลเพราะศีลจะเป็นบาตของการที่ทําให้จิตสงบได้ง่ายถ้ามีจิตสงบแล้วสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานะอันถ้าเรามีข้อมูลเพียงพออย่าไปเข้าใจว่าถ้ามีสมาธิทําสมาธิตั้งมานั้นเดี๋ยวปัญญาจะเกิดเองนะอย่าเข้าใจอย่างนั้นมันจะต้องมีข้อมูลมีความเข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของปราโตโคสะเนี่ยเข้าใจในเรื่องของขันธ์ท่ายตระนะโดยในย่าของ รยัเนี่ยนะในเมื่อเรามีสมาธิตั้งมั่นดีเนี่ยถ้าเราน้อมไปอาศัยสัมมาสังกัปปะนะที่จะน้อมไปในสภาวะธรรมในนามธรรมในรูปธรรมที่เราเคยเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากอยากให้มันเป็นสุขแต่ความจริงแล้วเป็นส ภ, สภาวะธรรมอะไรแล้วทำยังไงถึงจะออกจากสภาวะธรรมเหล่านั้นนะก็จะต้องเห็นโดยความเป็นโทษอาทีนวะ การเห็นด้วยความเป็นโทษในที่นี้ไม่ได้เห็นโดยการเพ่งโทษด้วยอกุศลจิตแต่เป็นการเห็นโทษด้วยกุศลจิตแล้วก็สามารถที่จะมีปีติโทมนัสได้ด้วยนะเห็นโทษเพื่อที่จะออกจากโทษเหล่านั้นเหมือนกับคนเห็นโทษของกรงขังคุกนะขันห้านี่เป็นคุกไหมเป็นขันห้าเนี่ยเป็นคุกนะทุกข์กษัตริย์เนี่ยเป็นคุกแต่ว่านิโรธเป็นสภาพที่ออกจากคุก ถ้าเราเห็นโทษของคุกมากๆแล้วเราทําความดนะียิ่งเห็นโทษของคุกมากเท่าไหร่แล้วทําความดีเข้ากําหนดเวลาให้เราจะออกจากคุกวันไหนวันไหนเนี่ยยิ่งพิจารณาเห็นโทษของคุกมากเราจะดีใจมากไหยว่าเราจะได้ออกแล้วอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะอันห้านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกโดยการที่อบรมวิปัสนาเพื่อให้ออกจากวิปัสสาเมื่อเราวิปัสสาในขันห้าเหล่านี้ วัตตะมันก็ยาวอะไรเป็นปัจจัยของวิปลาชอะไรเป็นปัจจัยของวิปลาดดูไหมวิปลาชนี่เป็นปัจจัยของอวิชาด้วยนะในนิจตะกรอเนี่ยต้องแสดงว่าวิปลาชเป็นปัจจัยของอวิชาความจำในความเที่ยงก็เป็นปัจจัยแก่วิปลาชความจำในความงามก็เป็นปัจจัยแก่วิปลาดฉะนั้นความจาเนี่ยนะมีส่วนสาคัญมาก ทำไมเคยถามนะว่าทำไมไม่ยุติธรรมเลยอะว่าเจตสิกมีห้าสิบประเภททำไมยกให้สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันหนึ่งเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันหนึ่งแต่ว่าสังขารขันนึ่งห้าสิบประเภทเนี่ยมันน่าจะแบ่งคนละเท่าไหร่นะนามขันสามเนี่ยนะเจตสิกนามขันสามห้าสิบอใช่ไหมนะก็แบ่งคนละยี่สิบบางคนละสิกว่า น่าจะแบ่งไปเท่าๆกันแต่ทําไมถึงให้เวทนาดวงเดียวเป็นเวทนาขันลนะ่ะให้สัญญาเจตสิกนะเป็นสัญญาขันเพราะอะไรแสดงว่าไอ้เจตสิกสองตัวในนั้นะมีความสําคัญมากไหมมาถ้าเราไม่มีความสุขเลยในชีวิตทั้งสุกายและสุขใจเราอยากเกิดหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่มีความทุกข์ทั้งกายทั้งใจเราอยากที่จะไม่เกิดหรือเปล่า นะไปตกนรกก็สบายมากเลยนะมีแต่ความสุขสะดวกสบายในนรกถามว่าเราจะกลัวนรกไหมนะถ้าไม่มีทุกขเวทนาเราก็ไม่คิดที่จะดับวัฏตะหรอกถ้าไม่มีสุขเวทนาเราก็จะมีติดอยู่ในวัฏตะนี้หรอกถูกมเพราะฉะนั้นเวทนานี่แหละเป็นตัวเกื้อกูลที่ทำให้เกิดความยินดีในวัฏตะนะพรรษาหนึ่งนะสเดือนพระพุทธเจ้าพิจารณาแต่เวทนาจริสิกอย่างเดียวเลย พิจนาธรรมะอย่างอื่นน้อยแต่พิจณาตเวทนาเพราะเวทนานี้มันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายยินดีนะด้วยกามตันหาภวะตันหาแล้วก็วิภวะตันหาใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันเกิดสุขเวทนาแล้วเราเกิดเป็นอัลไซเมอร์จําอะไรไม่ได้เลยนะจะทําให้สุขเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกได้ไหมนะกินกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยมากเลยถามว่ามันจะอยู่ในความทรงจําของเรามากหรือว่านะ อะไรที่ทำให้เกิดสุขเวทนาเราก็จะจำไว้อะไรที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกมากเราก็จาไว้อีกนะเราก็จะได้ไม่เป็นแสวงหาอารมณ์ที่จะทำให้เกิดทุกขเหล่านั้นแต่อารมณ์ไหนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเกิดสุขเวทนาเราก็จะจำบุคคล น, นั้นจำสิ่งนั้นไว้เพราะฉะนั้นตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวที่เกื้อกูลแก่การที่จะทำให้วัตถยาวเพราะมันเป็นสนับสนุนเวทนาไง นะอะไรที่ทำให้เกิดความสุขอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็จะจดจำไว้อย่างมากนะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้สังขารขันเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวที่ทำให้ทำกรรมหัวหน้าของสังขารขาันแลสังขาร ข, ขันก็คืออะไรเจตนาเป็นอภิสังขารแต่เจ้าตัวเจตนาเขาก็มีบริวารมีพวกพ้องเยอะเลยทั้งโลภะโทสะโมหะและอโลภะอะโทสะอโมหะ้วยนะ ตกลงสรุปแล้วเนี่ยที่แสดงอนุปุพพิกถามาจริงๆก็คือแสดงอริยสัจสี่รอบหนึ่งก่อนนะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าฐ า, า, านและศีนั่นน่ะเป็นทุกข์สมุทยัยนิโรธหรือมรรคทานศีลเป็นข้อปฏิบัติด้วยนะเป็นอะไรเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยหรือนิโรธหรือมรรคนะการให้ทานรักษาศีลเนี่ยยังเป็นทุกข์นะ ยังเป็นทุกข์อยู่การให้เกิดผลคือเกิดในสวรรค์ถ้เกิดขันห้าเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แต่สวรรค์เนี่ยมันเกื้อกูลแก่สมุ ท, ทยัยถูกไหมแล้วก็การที่เรามีการให้ทานรักษาศีลได้ก็เพราะว่าเรามีสมุทัยมาก่อนเพราะฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทุกข์ต้องมาทําปริญญานะแต่อัตยาสัยที่ได้จากการให้ทานคืออะโลภะนะแล้วก็โสภณธรรมทั้งหลายอัตยาศัยที่ได้จากการอบรมรักษาศีล อันนี้เราต้องการตรงนี้นะส่วนที่จะเกื้อกูลกับการที่ออกจากว่าฐานนั้นจะเป็นฐานบา ร, รมีได้เพราะอัธยาศัยในการให้ศีนั้นจะเป็นศีลบา ร, รมีได้ก็เพราะอัธยาศัยในการให้ตัววิบากของมันเป็นสัจจะไหนวิบากของอกองุศลเป็นทุกขสัตต์อีกต้องออกนะต้องทําปริญญานั้นสัก ข, ขะกาถาหรือวัสวันทั้งหลายเนี่ยก็เป็นทุกขสัตต์นะซึ่งมันจะเกื้อกูลแก่สมุไทยต่อไปถ้าเราไม่ทําปริญญา ไม่พิจารณาส่วนอาทีนวะการอาทินวะนั้นเป็นอะไรเป็นสัจจะอะไรการอาทินวะการมองให้เห็นโทษเนี่ยนะเป็นการเห็นโทษของทุกขสัตว์เป็นการเห็นโทษของขันห้าแต่อาการหรือว่าตัวที่เข้าไปเห็นโทษนั้นคือมักเป็นปุกปาคมักเป็นการเริ่มอบรมในการที่จะเข้าไปรู้ความจริงแล้วก็ นะพยายามที่จะออกก็คือสามารถที่จะทำให้เกิดนิสระณนะนะสามารถที่ออกได้ถ้าไม่เห็นโทษนี่จะออกได้ไหมก็ออกไม่ได้นะเนคขมะเนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นโทษว่าสิ่งนั้นมีโทษเราก็จะไม่ยินดีในการออกเพราะฉะนั้นการละอกุศลวิธีหนึ่งในการละอกุศลก็คือเห็นโทษของอกุศลวิธีหนึ่งในการเจริญกุศลก็คือเห็นคุณประโยชน์ของกุศลนั้ น, น, น เพราะฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยพระเจ้าก็จะแสดงอานิสงส์นะอนิสงส์ของกุศลโดยประการต่างๆเพื่อให้เห็นว่ามันมีประโยชน์นะเมื่อสิ่งไหนมีประโยชน์ก็จะใจเราก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนเป็นโทษใจก็จะน้อมออกจากสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าการที่สแสดงอนุปุปปิกถาเนี่ยก็คือสแสดงอริยสัจ ร, ระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสแสดงละเอียดตอนที่สรุปอริยสัจสุดท้ายเนี่ยนะ อตอนสุดท้ายซึ่งเราก็คงจะฟังกันในสัปดาห์หน้าใช่ไหมก็คงแค่นี้นะครับมันจันต์ตอแล้วก็คงจะสรุปที่จะต้องจบเวลาเนะี่ยเหลือประมาณสิบนาทีกว่านิดน่ะแต่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ขอสรุปประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวในเรื่องของคำวันนี้คำมาก ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะถ้าเรามองถึงถึงกรณีที่ภารณนาที่ออกถ้าดูจากชั้นของความหมายที่ท่านใช้คําว่าบุรุษผู้ถูกขังอยู่ในเรือนจําหรือว่านกที่ถูกขังอยู่ในกรงใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้ยนะหรือถ้าหากว่าถ้าเราดูจางว่าโจรทั้งหลายถูกจับขังไว้หรือว่านกที่ถูกขังอยู่ในกงในนนนะรงทั้งหลายเหล่านี้ยปลาที่ติดอยู่ในคลองอยู่ใน อยู่ในที่คุมขังต่างๆเหล่านี้ก็มีความทุกข์ตลอดกาลนานตลอดระยะเวลาเขาจะแสวงหาอยากจะออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใชั้นใดนั้นความที่บุคคลที่ปรารถนาที่อยากจะออกจากภบแล้วก็ออกจากกาม2ประเด็นที่ได้กล่าวไว้ก็คือออกจากกามออกจากกิเลสหรือออกจากวัตถุกามแล้วก็ประการต่อไปก็เป้าหมายหลักสูงสุดก็คือออกจากภพคือออกจากกามมาพบรูปะภพแล้วก็รูปะภพ ทีนี้ถ้าเราเห็นลักษณะของเนกข ม, มาตรตรงนี้คืออะไรก็คืออโลพัทใช่ไหมอโลพัก็คือสภาพจิตที่ไม่โลภอโลภัเจตสิกเนี่ยถ้ามีกําลังขึ้นมาแล้วก็จะเด่นชัดก็คือการไม่ติดข้องการไม่ติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไม่ติดข้องอยู่ในบุตรในภรรยาในทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นสภาพใจที่ไม่ติดข้องตรงนี้เป็นสภาพจิตที่เป็นไปกับความสุขนะไม่ใช่ไม่มีความสุข เนคขม่าจึงเป็นสภาพจิตที่มีความสุขมีความบริบูรณ์และเป็นความอาถรรพ์เป็นความล่าเลิงว่าฉะนั้นบุคคลที่เขาบําเพนเนคขมา่าเนี่ยเขามีความสุขสุขจากการที่ว่าการได้ออกจากกามออกจากกิเลสกามอยู่ไหมเพราะตัวกิเลสทั้งหลายเนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองทําให้จิตเร่าร้อนอยู่ไหมแล้วทําให้เกิดภาวะความหนักสภาพที่จิตที่ไม่ถูกฟอกให้ละเอียดเนี่ยนะเพราะสภาพจิตที่ไม่สะอาด ถ้าเราดูในชั้นของคําสอนบางแห่งท่านนึงใช้คำบอกว่าสัตว์เนี้ยเศร้าหมองก็เพราะจิตนั้นเศร้าหมองสัตว์นี้ผ่องแผ้วนั้นก็เพราะว่าจิตนี้ผ่องแผ้วอะไรแล้วทำให้ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองทําให้สัตว์นั้นเศร้าหมองก็คือราคะบ้างโทสะบ้างและวก็โมหะบ้างการที่สัตว์ทั้งหลายถูกราคะก้มรุมโทสะกุมรุมและก็โมหะก้มลุ ม, มเนี่ยสภาพจิตที่ถูกก้มรุมด้วยสภาพบาปอกุศลธรรมอันลามโกเหล่านี้ก็ทําให้สัตว์นั้นเกิดความภาวะที่เศร้าหมองทีนี้พอ ขัดจัดจากการบ่มเพราะอัตยารัยมาจากเดินทาง น, นกุศลศีลกุศลเป็นต้นมาเป็นตามลําดับที่สุดจริงๆนั้นน่ยจิตก็เกิดความแล้วในที่สุิจริงเมื่อได้ล้อรอบรอบ ร, ร, ร, ร, ร, รู้ข้อมูลมากขึ้นได้เห็นสวรรค์ได้เห็นสุขตีพบมีมนุษย์แล้วก็สวรรค์เป็นต้นเหล่านี้พระองค์ก็ท้องชี้ให้เห็นถึงโทษด้วยโทษของกาลที่บอกว่าต้องตรากตำทุกข์ยากลําบากในการแสวงหาโภกทรัพย์ ต้องเกิดทุกขโทมานต์เมื่อแสวงหาไม่ได้ต้องเกิดทุกในการรักษาเกิดการห่วงแห็นทรัพย์ที่ได้มาแล้วต้องคอยป้องกันต้องทุกขโทมานั์เศร้าโศกรำพันก็ตี อ, อกคร่ำครวญจากการถูกโจรป้นบางไฟไหม้บ้างน้ําพัดบ้างทายาที่ไม่ดีหรือเกิดการทะเลาะวิวาทแข่งแย่งชิงดีหรือเกิดการบริหารไม่ดีเกิดทรัพย์นั้นมันเกิดล่มจมขึ้นมา เ, นเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเย่างนี เกิดการแข่งขันกันขึ้นมาอย่างนี้ก็โอเป็นเดือดเป็นแค้นต้องกังวลพัวพันและห่วงใยในกามสัตว์และสังขารทั้งหลายก็ต้องต้องถูกตัดสินลงโทษวงจำโคกบ้างที่สุดจริงๆก็ต้องได้ประสบอบายทุกติวินิบาตทลลกรกอนันตกรรมแม้เสื่อมจากสวรรค์ที่สุดจริงๆก็เป็นโทษนะจากการที่เราเสื่อมจากการเป็นมนุษย์เสื่อมจากการเกิดในสุคติภพที่สุดจริงๆก็เสื่อมจากมรรค น, นิพพานโอ้โหเป็นโทษน่ า, น, าน้ากลัวมาก ว่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าใจที่ไปเห็นโทษเนี่ยแต่กลับมีความสุขไม่ใช่ไปเห็นโทษแบบโทสะเห็นเพราะถ้าโทสะไปเห็นโทษเนี่ยมันจะเกิดภาวะความเครียดเช่นเบื่อเหลือเกินตอนนี้ผมเบื่อที่บ้านมากถามเป็นไงกลับไปที่บ้านที่ไรก็มีแต่เสียงบน่นบ่นทุกเรื่องงั้นก็เกิดภาวะเกิดความเครียดอย่างนี้น แพทที่ว่าขนาดนอนหลับแล้วยังปลุกขึ้นมาบ่นต่อเอย่างอี้ยังี้โหเครียดมากไม่รู้ยมผู้ชายเคยเจออย่างนี้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือเกิดภาวะความเครียดมากเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเบื่อเพราะการเบื่อจริงๆต้องเป็นการเบื่อที่เกิดจากการเห็นความจริงนะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่มีสาระที่สุดก็เห็นว่ามันไม่ดีจริงอนะ่ะ พิจารณาดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันไม่ดีจริงอยู่เนืถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็ถ้าไปมองกันจริงๆเนี่ยมันไม่ดีนะลองไปมองดูนะมองสักจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็วิจัยพิจารณาอยู่นะั่นจะให้จิตมันค้างนะไม่ใช่ไปมองแบบทื่อๆนะมองแบบวิจัยใช่ไหมเช่นว่าตางามมันก็ลองไปพิจารณาพิจารณาไอ้มันดีจริงไหมก็มองพิจารณาที่ส่วนจริงจะเห็นโทษงานมีตา ใช่ไหมมันก็เป็นที่ไหลออกมาของความไม่สะอาดทั้งหลายทั้งหูทั้งจมูกก็เป็นที่ไหลออกมาจากน้ำโมกก็จะไหลออกมาแล้วก็ขี้หูก็จะเต็มไปหมดเลยนะทั้งในปากก็ต้องมาชําระตาสางกันตลอดแม้ในสเดลรกายก็จะต้องมีชําระทั้งทวานหนักทวานเบาทั้งหลายถ้าพิจารณาจริงๆอย่างนี้นะมันก็จะเห็นโทษตรงนี้ถ้าเห็นโทษอย่างนี้ปัญญาเกิดแต่ไม่ใช่เห็นโทษแบบโทรศัพ์แล้วมีเสียงบน่นเสียงดา่าอันนั้นก็อีกอย่างตรงนี้ก็คือว่า ให้สังเกตดูนะว่าอาการนรืผลปรากฏเนี่ยมีการหันหลังจากโทษนั่นแหละเป็นผลปรากฏก็คือหันหลังแล้วไม่เอาแล้วก็พราจิตเนี่ยไม่น้อมที่จะไปยึดติดตรงนั้นแล้วมันจะปล่อยวางอะไรทําให้เรายึดติดไอตัวโลภะมันก็ฉาบติดก็ไปยินดีไปเพลิดเพลินไปแสวงหาไปพัวพันแล้วก็ไปรุ่มหลงใช่ไหมแต่พออาโลภะมันเด่นขึ้นมันชัดขึ้นจากความที่ได้ข้อมูลได้คําสอนปัญญาก็มาช่วยชําระสะสาง ไปวิจัยพิจารณาตามคำสอนที่พระบรมศสาสดาทรงบอกทรงกล่าวไว้ก็เริ่มไปเห็นจริงตามนั้นพอเห็นแล้วมันชื่นใจเห็ น, หนความจริงแล้วชื่นใจชื่นใจตรงเที่โอโ้โหเนี่ยไม่รู้มาตั้งนานถ้ารู้อย่างเนี้ความภาวะของความชื่นใจภาวะของความสุขมันเกิดมาตั้งนานแล้วตรงนี้ต่างหากก็เกิดภาวะของความตื่นเต้นที่ได้เห็นความจริงของชีวิตไม่ใช่ไปเห็นว่าโอวพ่อเราตายก็ร้องไห้ยังไม่ใช่นะ แม่ตายก็ร้องไห้สามีบุตรภรรยาต่างๆนี่ตายก็ร้องไห้ทรัพย์สมบัติวิบัติไปก็ร้องไห้เนี่ยกรณีอย่างนี้มันไม่ใช่เห็นโทษจริงนั่นเป็นภาวะของโทสะแต่ภาวะของปัญญาทั้งหลายเวทธรรมกิจให้สังเกตนะปัญญาเนี่ยมันเกิดกับมหากุศลเป็นสมณะใช่ไหมแล้วก็เป็นอุเบกขาก็เป็นภาวะที่สดชื่นเนะเวขาที่ในกรุสนะุนเป็นภาวะที่ไม่ยึดติดในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าสภาพธรรมที่เป็นกุศลแม้การเห็นโทษ แต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ไหนถ้าเรามองสังเกตดูนะทางอมาก็สังเกตหน้าของผู้ฟังตลอดเลยนะตั้งแต่อาจารย์มหาสุพลพูดแล้วอาจารย์สันติพูดพูดเรื่องโทษพูดเรื่องอุจจาระพูดเรื่องหนอนพูดอะไรต่างๆอะไนี้นะอนมาก็สังเกตบางคนก็ห ย, ยีตาเลยนียคล้ายๆว่าโอ้โหทำไมท่านอาจารย์โอภาสมาหนักเลือเกินเนี่ยนะเพราะอมาเป็นคนสายตายาวไงถ้ามองก็เห็นนู้นอาจารย์ข้างหลังนะมองก็สังเกตดูตาสังเกตดูหน้าคนนะี่ย ก็บอกอ๋เนี่ยอาก็สังเกตได้เลวโอ้นี่ชัดเลยเนี่ยจิตเศร้าหมองนะเนี่ยอันนี้ภาวะบางคราวก็เกิดโทสะบอกกลัวใช่ไหมเหมือนบางคนใช่ไหมเพราะเห็นขันห้ามันเป็นมาลาธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นมารเป็นสภาพผู้ฆ่ามันไม่ดีจริงอย่างที่คิดมันไม่มีความหวังอย่างที่คิดเบสเ็จพอคิดเบสเซดก็ใจเต้นตุบๆๆเลยโอ้โหใช่ไหมบอกวิธิทำไมเป็นอย่างนี้ครับเราไม่เคยเจอพอเจ อ, อ, เจอนี่ก็ตกใจเกิดภาวะตกใจ นนสภาพจิตที่เกิดความภาวะเกิดความตกใจอย่างนี้มันเป็นสภาพความกลัวแต่กุศลนะกับการชื่นใจจะปีปติจะสมานนัดว่าวันนี้เราได้รู้ความจริงของชีวิตแล้วเราจะได้ตั้งท่าทีและวางท่าทีทางใจถูกฉะนั้นการวางท่าทีทางใจได้ถูกแล้วก็เริ่มวางแผนชีวิตคาว่าเริ่มเริ่มวางแผนชีวิตเนี่ยแปลว่าเอาคําสอนพระเจ้ามาวางลําดับว่าอะไรก่อนอะไรหลังก็เริ่มลําดับก็เริ่มระดมความเพียรเลยตัวนี้ ท่าในลักษณะอย่างนี้ก็เห็นไหมว่าสังเวคชปทัฐานาเนี่ยสังเกตว่ามีการสลดใจเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนี่เนคขมะอย่างนี้คาว่าสลดใจเนี่ยเป็นสังเวคญาณา น, นะคือปัญญายาณที่ไปพิจารณาเห็นแล้วเกิดสะดุ้งสะเทือนนะไอ้คําว่าสะดุ้งสะเทือนในที่นั้นคือบาปเนี่ยมันสะดุ้งสะเทือนนะแต่จิตใจมันอาจหานมันล่าเริงมันตั้งมั่นแล้วมีอุดมการณ์ชัดเลยว่า สักวันหนึ่งออกแน่นอนใช่ไหมเราจะต้องก้าวออกแน่นอนก็ตั้งอัธยาสัยไว้เรื่อยยิ่งเห็นปัญหาที่มันรุมเล้าเข้ามาในชีวิตเนคขมมาก็จะเด่นขึ้นอโลพาอโลภัตยาศัยก็เด่นขึ้นเนคข ม, มัตยาสัยก็เด่นขึ้นใช่ไหมอัธยาศัยที่อยากจะหลีกเล้นอยากจะออกจากหมู่จากคณะมีโทษมากไปเลยแต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้าไอตรงนี้ยังไม่แก่ก้าก็ไม่ได้เดือดร้อนจนถึงขนาดเป็นโทสะใช่ไหม เพียงแต่ว่าสั่งสมอัธยาสายนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดจริงๆใครมาฉุดก็ไม่อยู่ถ้าแก่กล้าจริงๆนะใครจะเอาเงินมากองให้เอาทรัพย์มากองให้เอาตําแหน่งเอาสิ่งต่างๆมาล่อขนาดไหนก็ไม่อยู่สังเกตดูไหมว่าพระโพธิสัตว์บอกว่าอีกเจวันจะเป็นจกักรพรรดิราษท่านบอไมนะ่อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าชัดแล้วเนคขมัตชายานี่เด่นชัดแล้ว อัธยาศัยที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลเนี่ยบอกเรารู้นะว่าเราจะเป็นจกักระพัดภายในเจดวันแต่เราเห็นจกักระพัดดิลัดประดุลดังเสเลตที่ติดไป ล, นะลุ้นเราพร้อมที่จะคลายทิ้งแต่ถ้าวันเนี้ยถ้าเราไปดูโอ้ไม่ขายไม่ลงเลยยนะังไกายไม่ลงบ้านก็คลายไม่ลงทรัพย์ก็คขายไม่ลงบุตรก็ขายไม่ลงโดยเฉพาะภรรยาขายยากยนะิดนึายเดี๋ยวมันตามไปทะเลาะยุ่งอยนะูี่ ไม่กล้าที่จะขายไม่กล้าที่จะสละเพราะจริงๆยังไม่เห็นแต่ถ้าเห็นโทษจริงๆนะที่ส่วนจริงก็เดินออกแต่เดินออกด้วยจิตที่ผ่องใสฉะนั้นภาวะของของเนคขมารจึงเป็นภาวะที่ผ่องใสามากสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าหมดเวลาก็นะ <c oughs> <k> <k <Tail> <ak ana> ขอบมตนาเขาบวกเราเนาะที่ตั้งใจโอ้โ oh, หฟังกันทนมากหรือฟังจนถึงห้าโมงคึ่งเอามาขมหาท่านมหาสุพลต้องลุกทั้งสองครั้งเลย <c oughs> <c oughs> แล้วโยอมทนกันอยู่ เราก็ได้ฟังเรื่องอนุพุทธกถานะครับเกี่ยวกั บ, บรัะของการถามตอบปัญหาก็น่าจะได้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุพุทธกถากันพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเมื่อจบตรงถึงเนคขมะเนี่ยจิตของเรานั้นก็เรียกว่าเป็นอ่อนควรแกการงานนะครับเหมือนดังผ้าที่ซักขาวสะอาดดีแล้วนะก็จะได้ทำการย้อมต่อไปในเสาหน้าด้วยอริยสัตต์นะครับก็จะสาเร็จประโยชน์ของการ ใช้ผ้าต่อไป